ในจานวนนี้มีศาสดาสันชัย เ, เวรัตบุตรอยู่ด้วยศาสนาสันชัยด้วยเออเออเห็นจะจริงเพราะท่านเคยเป็นอาจารย์ภาษารีบุตรและพระโมคคัลลานะามกนท่านรู้นี้แหละอิจาริษยาท่านเรวัตมากกว่าศาสนาองค์อื่นๆเพราะท่านมีความแค้นเคืองอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่ท่านสูญเสียสาวกสมกัญให้แก่พระสมณโคดมและนี่เป็นโอกาสที่ท่านสนใจจะได้แก้แค้นแก้แค่อย่งไรเออ ท่านประกาศโต้วาทีกับท่านเรวตตนะสิจริงเหรอเมื่อไห่เป็นความจริงดีแต่ว่าถูกสาวกทับทานเอาไว้เสียก่อนสาวกบอกว่าเป็นถึงศาสดาเจ้าลัทธินี้ฐานะและศักดิ์เท่าเทียมพระสมณะโคดมทุกอย่างควรโต้วาทีกับพระสมณะโคดมจึงจะถูกถ้าลดเกียรติลงไปโต้วาทีกับสาวกเล็กๆอย่างท่านเรวัตะก็เท่ากับเอาทองคําธรรมชาติไปแลกกับท้องเหลืองไม่กู่ควรกัน ท่านสัญใจก็เลยคัดเลือกให้สาวกหนุ่มคนหนึ่งชื่อสุระเมทะเป็นผู้แทนเข้าโตวาทีต็วันนี้แหละสุระเมทะจะโตวาทีกับท่านเรวัตะที่พระเวลุวนารามงั้นก็ต้องไปฟังกันแล้ว ก่อนอื่นข้าพาเจ้าขอสารภาพว่าข้าพาเจ้ามีความรู้เกี่ยวกับลัทธิของท่านน้อยมากฉะนั้นการโต้วาทีวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ข้าพาเจ้าจะได้เรียนรู้ลัทธิของท่านเท่าที่ข้าพาเจ้าได้ยินได้ฟังมานั้นทราบว่าลัทธิของท่านถือว่าความจริงเป็นสิ่งที่บุคคลไม่พึงรู้ใช่หรือไม่ใช่แต่บุญเจริญความจริงแท้เป็นสิ่งที่บุคคลรู้ไม่ได้สิ่งที่บุคคลรู้ได้ไม่ใช่ความจริงแท้ ท่นานพอจะเข้าใจหรื อ, อยังท่านเหลวะตะข้าพระเจ้ายังไม่เข้าใจยากจะเข้าใจนักเหร อ, อยากแน่ความรู้สึกว่าลัทธิของท่านสุ ข, ขุลหรึกซึง่งผิดแปลกแตกต่างจากลัทธิอื่นๆเกือบตรงกันข้ามทีเดียวลทัทธิอื่นๆถือความจริงเป็นสิ่งที่คนรู้ได้แม้แต่ศาสนาของท่านก็ถือว่าความจริงเป็นสิ่งที่คนรู้ไได้ใช่ไหมใช่เราถือว่าการรู้ความจริงเป็นหลักสําคัญที่สุดในาศาสนาของเรา ข้าพเจ้าอยากให้ท่านยืนยันความจริงบางอย่างซึ่งท่านเชื่ออย่างแน่นอนแก่ข้าพเจ้าโปรดยกตัวอย่างความจริงไ ง, ไง่ายๆที่ทุกคนพอจะเข้าใจได้ผ้านี้สีอะไรข้าพเจ้าไม่มีทางจะทราบได้เลยว่าสีที่แท้จริงของผ้านั้นคือสีอะไรท่านตอบได้ดีมากท่านสุรเมธะเอาเถอะถึงท่านจะไม่ทราบว่าสีที่แท้จริงของผ้าคืออะไรข้าพเจ้าก็เชื่อว่าท่านต้องเห็นผ้านี้แน่ๆ เพราะท่านมีจักสุทั้งคู่บริบูรณ์ดีและสีของผ้าผืนนี้จะเป็นอะไรก็ตามก็คงปรากฏแก่สายตาของท่านแน่ๆน่เทพเจ้าไม่ต้องการทราบสีที่แท้จริงของผ้าผืนนี้ต้องการทราบเฉพาะชื่อของสีเท่าที่ปรากฏแก่สายตาของท่านเวลานี้เท่านั้นแต่ถ้าท่านยังไม่อยากตอบเาพเจ้าจะลองถามคนอื่นๆดูก่อนท่านทั้งหลาย สีเท่าที่ปรากฏแก่สายตาของท่านเวลานี้คือสีอะไรสีเหลืองคำเหลืองคำํำเหลืองได้ยินแล้วใช่ไหมท่านสุราเมธะเอาละ่ะจะถามท่านอีกทีหนึ่งสีที่ปรากฏแก่สายตาท่านเวลานี้คือสีอะไรข้าพเจ้าไม่ทราบหลายคนบอกว่าสีคล้านั่นเป็นเพียงศาสนาส่วนตัวของเขาถ้าทานายคนอื่นดู อาจจะมีบางคนเห็นเป็นสีดําสีแดงสีเหลืองบริสุทธิ์และสีอื่นๆอีกถ้าท่านเอาให้มาดูมันอาจจะเห็นเป็นอีกสีหนึ่งควายอาจจะเห็นเป็นอีกสีหนึ่งวัวอาจจะเห็นเป็นอีกสีหนึ่งแพะอาจจะเห็นเป็นอีกสีหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่มีใครทราบใบว่าสีที่แท้จริงของมันคืออะไร ท่านสุรเมธะที่ท่านปฏิเสธว่าไม่รู้จักสีของชายจีวร น, นั้นนับว่าชอบแล้วแต่ท่านคงจะยอมรับว่าบุรุษที่ชื่อว่าสุรเมธะสาวกผู้มีชื่อของสรรชัยมีอยู่และเวลานี้กาลังนั่งอยู่บนธรรมะม ส, สนทนากับข้าพเจ้าท่านจะกล้าปฏิเสธตัวท่านเองหรือไม่ข้าพเจ้ามาปฏิเสธแต่ก็ไม่รับเพราะอะไร ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าข้าพเจ้ามีอยู่หรือไม่เป็นอันว่าท่านไม่รู้ว่าท่านคือใครข้าพเจ้าไม่รู้ว่าข้าพเจ้าเป็นอะไรแน่สำหรับคนอื่นข้าพเจ้าอาจจะเป็นชายหนุ่มชื่อสุราเมทะสาวกของศาสดาสันชัยแต่สำหรับคนอื่นหรือสัตว์อื่นๆอาจจะเห็นข้าพเจ้าเป็นอย่างอื่นไปอีกข้าพเจ้าเลยไม่รู้ว่าตัวจริงข้าพเจ้าเป็นอะไรแน่เมื่อครั้งข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าเคยนอนหลับปันไปว่า ขปเจ้าเป็นนกจับอยู่บนต้นไม้บินสชวัดเฉวนไปมาในอากาศกับเพื่อนนกท่าหลายยังมีความสุขกินผลไม้บนต้นไม้และร้องเพลงยังสุขสํำราญในขณะนั้นขปเจ้าไม่มีความคิดเลยแม้แต่น้อยว่าขปเจ้าเป็นมนุษย์เมื่อขาพเจ้าตื่นขึ้นมาก็เลยไม่รู้ตัวเองว่าเป็นอะไรแน่อาจจะเป็นนกที่กําลังฝันว่าตัวเองเป็นมนุษย์ก็ได้เท่าที่ขปเจ้าฟังท่านมาเนี่ย ก็พอจะจับใจความได้ว่าท่านไม่ยอมเชื่อว่าคนเราจะสู้ความจริงได้ถึงแม้ท่านจะเห็นด้วยตาของท่านเองท่านก็ยังไม่เชื่อว่าตาของท่านจะรายงานความจริงให้ท่านทราบอย่างนั้นใช่หรือไม่ถูกแล้วไม่แต่เฉพาะตาเท่านั้นที่ครับเจ้าไม่เชื่อแม้แต่เสียงที่หูได้ยินกลิ่นที่จมูกได้ดมลิ้นที่ดิ่ลิ้มรสการทินสัมผัสถูกต้อง และอารมณ์ที่ใจคิดข้าพเจ้าก็ไม่เชื่อเหมือนกันข้าพเจ้าถือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจยังเป็นสิ่งที่วางใจไม่ได้เพราะบางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็ไรงานาผิดผิ ด, ดและเราทราบได้เหมือนกันขอจะยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมได้สิสันเทวตระถ้าท่านไปยืนกลางถนนสายยาวๆในกรุงราชศึกท่านจะเห็นว่าถนนตรงที่ท่านยืนกว้างใหญ่ แต่เมื่อท่านมองตามถนนไปข้างหน้าท่านจะเห็นว่าถนนแคบลงแคบลงจนกระทั่งข้าทั้งสองไปบินจบกันจนดูปไปถนนปิดตายท่านเชื่อหรือไม่ว่าถนนไปอย่างนั้นจริงอย่างที่ท่านเห็นด้วยตาข้าพระเจ้าไม่เชื่อถูกแล้วท้าเลวตาตามความเป็นจริงนั้นถนนย่อมมีความกว้างเท่ากันทั้งที่ท่านยืนอยู่ทั้งที่ปลาถนนหาได้แคบลงแคบลง จนสองข้างจดกันเป็นปลาถนนตันอย่างที่ตาของท่านรายงานให้ท่านทราบใหม่เพราะถ้าถนนเป็นอย่างที่ตาท่านรายงานถนนนั้นก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ยิ่งกว่านั้นอาคารบ้านเรือนสองข้างถนนที่อยู่ใกล้ๆท่านดูใหญ่โตกว้างขวางเป็นปกติและยิ่งห่างออกไปอาคารบ้านเรือนก็ยิ่งดูเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งติดกับพื้นดินถ้าอาคารบ้านเรือนเล็กลงจริงตามที่ท่านเห็น อาคารหล้านั้นก็ไม่มีประโยชน์คนย่อมอาศัยอยู่ไม่ได้แต่ตามความจริงอาคารเหล่านั้นมีขนาดเท่ากับอาคารที่อยู่ใกล้ท่านเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะเชื่อได้อย่างไรว่าตาของท่านรายงานความจริงให้ท่านทราบเมื่อตาเป็นของเชื่อไม่ได้หูจมูกลิ้นกายใจจะเชื่อได้อย่างไง คาอธิบายพร้อมเรื่อุปมาอุปไมยของท่านทําให้ข้าพเจ้าเข้าใจทัศนาของท่านแจ่มแจ้งขึ้นเมื่อสักครู่นี้ท่านอธิบายว่าท่านไม่เชื่อสายตาของท่านเพราะตาของท่านไม่ราย ง, งานความจรงิงตัวอย่างเช่นถนนยาวๆมีความกว้างเท่ากันตลอดดูกว้างแต่เฉพาะตรงที่ยืนแต่จะดูสอบลงสอบลงจนกระทั่งทั้งสองข้างจดกัน ระยะไกลออกไปภาพที่ท่านเห็นนั้นเป็นภาพลวงไม่ใช่ของจริงใช่หรือไม่ใช่เส์ท่านเรวัตตะข้าพเจ้าได้อธิบายแล้วแต่ความจริงมีอยู่ว่าปลายทั้งสองข้างถนนนั้นมีความกว้างเท่ากันใช่หรือไม่ก็ใช่ท่านรู้ได้ยังไงว่าถนนนั้นมีความกว้างเท่ากันตลอดข้าพเจ้าอ่านพิสูจน์ได้ด้วยการเดิมนมาตามถนนนั้นจนตลอดสายเดินไปถึงที่สุดแล้ว ข้าพเจ้าและทุกๆคนจะพบว่าปลายถนนก็มีความกว้างเท่ากับตอนต้นถนนไม่ได้สอบลงสอบลงดังที่ตาไรเงานให้ทราบข้าพเจ้าขอถามย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าภาพต้นถนนกว้างปลายถนนแคบจนติดกันตามที่ตาฉันเห็นนั้นเป็นภาพมายาไม่ใช่ของจริงและความจริงมีอยู่ว่าถนนมีความกว้างเท่ากันตลอดใช่หรือไม่ก็ใช่ ท่านสาธุชนทั้งหลายโปรดจําคํายืนยันของท่านสุระเมธาไว้ด้วยเพื่อเป็นพยานแก่ข้าพเจ้าท่านสุรเมธาบอกว่าภาพถนนที่เรียวเล็กลงตามที่ตาเห็นนั้นเป็นภาพมายาความจริงถนนมีความกว้างเท่ากันตลอดท่านสุรเมธะเป็นอันว่าท่านยอมรับแล้ว ข, ข้าพเจ้ายอมรับอะไรยอมรับว่าถนนสายดังกล่าวนั้นมีสองลักษณะ คือลักษณะมายาตามที่ตาเห็นและลักษณะอันแท้จริงตามที่ท่านคาดคะเนด้วยใจอย่างนั้นใช่หรือไม่ถ่ารับก็เท่ากับยอมรับว่าควา ม, วามจริงมีอยู่แต่ความจริงนั้นสามารถรู้ได้้ดยการพิรสูจน์ซึ่งขัดกับพัฒนาของสิทธิสัญชัยอย่างสัดสัดแต่ถ้าปฏิเสธก็จะเป็นการปฏิเสธที่พูดยืนยันไปแล้ว แต่พระอริวั ต, ติก็ประกาศให้ประชาชนทราบแล้ ว, ลวทำยังไงดีท่านสุราเมธะเมื่อท่านไม่ตอบคําถามข้าพเจ้าก็จะถือว่าท่านยอมรับว่าภาพมายามีอยู่แต่ในขณะเดียวกันความจริงแท้ก็มีอยู่และความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ท่านรู้ได้แน่นอนเช่นเดียวกับที่ท่านรู้แน่ว่า ถนนไม่ได้มีปลายเรียวเล็กลงตามที่ตาเห็นเมื่อท่านยอมรับแล้วเช่นนี้ก็เท่ากับเป็นการคัดค้านลัทธิของท่านเองที่ถือว่าความจริงเป็นสิ่งที่คนรู้ไม่ได้ท่านมีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมข้าพเจ้าจะให้โอกาสท่านอีกครั้งหนึ่งก็ัข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะแก้ตัวในตอนนี้ข้าพเจ้ายกคะแนนให้ท่านขอบคุณมากท่านสุราเมธะ ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ท่านถามข้าพเจ้าเป็นการตอบแทนข้าพเจ้าขออธิบายทัศนะของเราให้ท่านทราบไว้เสดวยพระบรมศาสดาของเราตรัสไว้ว่าความจริงมีอยู่สองอย่างคือสมมุติสัจจะความจริงที่โลกสมมุติเรียกและรับกันไว้เพื่อความสะดวกในการติดต่อเจรจาเช่นสัตว์บุคคลวัตถุสิ่งของต่างๆที่เราใช้ และยอมรับรู้กันอยู่ประจาวันสมมุติสัจจะเป็นความจริงชั้นนอกซึ่งสามารถจะรู้ได้โดยตาหูจมูกลิ้นกายใจเช่นทุกคนเห็นคนก็รู้ว่าเป็นคนทันทีไม่มีใครเห็นเป็นช้างไปได้ยังมีความจริงอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าปรามาทสัจจะคือความจริงแท้ที่อยู่เบื้องหลังสมมุติสัจจะอีกทีหนึง่ง เป็นความจริงชั้นในไม่สามารถรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าแล้วถ้าเะนั้นจะรู้ได้ด้วยอะไรอาจจะรู้ได้ด้วยปัญญาและการศึกษาคนา้นคว้าตัวอย่างเช่นคนที่เรารู้ว่าคนยอมรับกันในขั้นสมมติสัจจะว่าคนถ้าแยกย่อยลงไปถึงขั้นปรมัตถสัจจะคนก็ไม่มีมีแต่ประชุมแห่งธาตุสี่ขันห้าซึ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปตามปัจจัยเหตุขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ด้วยต่อไปนี้ถ้าท่านมีปัญหาจะถามเชิญท่านถามได้เชิญท่านสุราเมธาถามได้ทางพุทธาศาสนายอมรับว่าความจริงมีสองอย่างคือความจริงภายนอก และความจริงภายในและความจริงทั้งสองอย่างนี้คนสามารถรู้ได้อย่างนั้นใช่ไหมถูกแล้วท่านสุรเมธะข้าพเจ้าจะอธิบายเพิ่มเติมว่าในความจริงสองอย่างนี้ความจริงขั้นปรมัทิตย์ จ, จักเป็นความจริงแท้กว่าส่วนความจริงขั้นสมมุตินั้นเป็นความจริงชั่วคราวความจริงที่โลกสมมติเรียกกันในชีวิตประจาวันเท่านั้น แต่มันก็เป็นความจริงเหมือนกันแม้แต่ท่านเองก็คงรู้ความจริงข้อนี้และยอมรับความจริงข้อนี้ด้วยข้าพเจ้าไม่เคยยอมรับว่าคนรู้ความจริงขั้น ใ, นใดเลยเฉพาะอย่างยิ่งความจริงขั้นสมมุติที่ประสาทสัมผัสทั้งห้ารายงานให้ทราบข้าพเจ้าไม่ยอมรับเลยขาดถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าเห็นจะต้องถามท่านอีกแล้วละ่ะเชิญท่านเรวตตาถามได้เลยวันนี้ท่านบริโภคอาหารเช้าแล้วเรีอยงัง เชื่อว่าท่านจะต้องบริโภคมาแล้วแน่ๆทีนี้ข้าพเจ้าอยากจะทราบอีกว่าท่านบริโภคโภอชนอาหารอย่างคนทั่วๆไปหรือบริโภคก้อนอิฐ ก, ก้อนหินแทนข้าวเอ๊ะทาไมจะถามอย่างนี้อะทะเลวตัตข้าพเจ้าก็ บ, บริโภคอาหารอย่างนี้เราคนทั่วๆไปก้อนอิด ก, ก้อนหินกิน ไ, ได้ยังไงทําไมท่านไม่บริโภคก้อนอิด ก, ก้อนหินล่ะก้อนนั่นไม่ใช่อาหารนี่ทะเลวตัตนี่แหละ แสดงให้เห mm ็น hmm. ว่าท่านเองก็ยัง <t> รับรู้และยอมรับสมมุติสัจจะเพราะท่านรู้ว่าอะไรเป็นอาหารอะไรไม่ใช่อาหารและท่านก็เลือกบริโภคเฉพาะสิ่งที่เป็นอาหารไม่บริโภคก้อนอิดก้อนหินถ้าท่านไม่รู้ว่าอะไรเป็นอาหารอะไรไม่ใช่อาหารท่านอาจจะบริโภคสิ่งไม่ใช่อาหารก็ได้แต่นี่ท่านไม่เคยบริโภคก้อนกรวดก้อนหินเลยแสดงว่าท่านรู้ว่าสิ่งนี้เป็นอาหารบริโภคได้ เมื่อธนูอาหารเป็นอาหารและเลือกบริโภคแต่อาหารท่านก็รู้สมมุติสัจจะและยอมรับสมมุติสัจจะท่านเบวตะข้าพเจ้าต้องขอสารภาพต่อท่านว่าข้าพเจ้าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับพุทธธรรมและละทัทธิของข้าพเจ้าเห็นจะต้องหันมาพิจารณาดูตัวเองและละทัทธิของตัวเองอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้รักในความรู้ และแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเขาพระเจ้าอายุอย่างน้อยความรู้และประสบการณ์ในชีวิตอย่างน้อยจะต้องขอเรียนกับท่านต่อไปการโต้วาทีกันวันนี้ข้าพเจ้าขอยอมแพ้ท่าน เราเขามาอยู่ในกรุงสาวัตถีหลายวันแล้วธุระต่างๆก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยข้าพเจ้าจึงใคร่ขอรับลูกน้อยของข้าพเจ้าอำลาท่านกลับไปกรุงพระณศีเสถีอะไรกันท่านเสถิทําไมท่านพูดอย่างนี้ล่ะข้าพเจ้าก็มีส่วนเป็นเจ้าของครีลาวดีเช่นเดียวกันกับท่านเหมือนกันแต่ข้าพเจ้าจําเป็นต้องกลับพระณสีข้าพเจ้ากลับก็ต้องเอาลูกไปด้วยลูกท่าน กัลูกกับพระเจ้าเหมือนกันได้โปรดอท่านสิที่กับพระเจ้าชื่นชมรีลาวัดียังไม่ท่านอิ่มเลยท่านก็จะพลากไปซะแล้วท่านคงไม่ทราบหรอกว่ากับพระเจ้าต้องระทมทุกขมคืนเพียงใดที่ลูกสาวคนรูดท้ทองทูกมัจุราชพลากเอาไปเป็นเวลากว่าสิบปีและข้าพระเจ้าดีใจ และขอบคุณท่านเพียงใดที่ท่านนำเธอกลับมาหาขาพเจ้าอีกเออขพเจ้าเห็นใจท่านอย่างที่สุดแต่ท่านก็ควรใจเห็นใจขพเจ้าด้วยขพเจ้ามีรูปเพียงคนเดียวคือรัตตปานีนี่เท่านั้นเธอเป็นที่รักดังดวงใจของขพเจ้าของมานดาที่อยู่ทางพารณสีและของทุกๆคนทางบ้านก่อนที่จะจากภาณสีมามารดาของเธอกาชับหนักหนาว่า ให้พารัตตปานีกลับบ้าให้ได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าปานี้ทั้งบ้านคงเงียบเหงาเพราะขาดรัตตปานีมารดาของเธอคงจะร้องไห้คิดถึงลูกทุกวันขอได้โปรดอนุญาตให้รัตตปานีไปกับข้าพเจ้าเถอดลูกท่านพีอะไรขึ้นล่ะจ้าแม่ลูกไม่ม็นอะไร แม่กับทัานจติกาลังปรึกษาหารือกันได้ดตุละบางอย่างลูกไปคุยกับพี่กานิกาก่อนนะประเดี๋ยวก็กลับมาไม่กีลวัดีววนนยังไม่ไปก็ อ, อะไรขึ้นลหรพ่อทำไมพ่อถึงตาเดงๆพอล้องไห้ทำไมไม่มีอะไรหรอกลูกพ่อเพียงแต่คิดถึงลูกเท่านั้นคิดถึงทำไมกิลวนดีอยู่ที่นี่แล้ว เล่นกับพี่ก่อนเถอะนะลูกให้แม่พูดุล่ากับทันตรีก่อนสักครู่ค่อยกลับมาไปใชลูกงั้นในเราวันนี้จะไปเดี๋ยวนี้ในเราวันนี้ไปละได้ลูกเดี๋ยวมานะลูกนะอะว่ายังไงละ่ทะทันตรีเราจะเอายังไงกันดี อกว่าสิท่านสิทธิเรื่องนี้ท่านตัดสินใจยังไงเป็นปัญหาที่ยุ่งยากมากหรือเกินมากเกินกว่าที่ขพเจ้าขาดคิดเอาไว้แต่ขพเจ้าก็มองไม่เห็นทางออกที่เหมาะสมใดๆนอกจากว่านอกจากว่าอะไรท่านสิทธินอกจากว่ า, า, วาขพเจ้าจะพาธิดาน้อยกลับบ้านท่านสิทธิ ท่านพูดยังกว่าลีราวดีเป็นลูกของท่านคนเดียวแต่ท่านก็รู้ดีไม่ใช่หรือว่ารัตตปานีเป็นลูกของข้าพเจ้าเกิดจากขันพัญญาของข้าพเจ้าโดยตรงจริงในด้านสรีระร่างกายลีราวดีเป็นลูกของท่านแต่ท่านอย่าลืมนะว่าจิตใจของเธอเป็นลีราวดีเป็นทิดาของข้าพเจ้าอย่างเต็มที่เพียงแต่เธอไปอาศัยท่านเกิดเท่านั้นพอเกิดแล ะ, จะเจริญเติบโต รู้ความจริงแล้วเธอก็กลับมาหาขบะเจ้าตามเดิมท่านก็รู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วนี่กายกับใจเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเมื่อกายของรัตตปาณีไปเกิดกับขบะเจ้าจิตใจของเธอก็เกิดกับขบะเจ้าด้วยเธอจึงเป็นสมบัติของเราทั้งกายใจถ้าท่านถือว่าจิตใจของเธอเป็นสมบัติของท่านท่านจะเอาจิตใจของเธอไว้ก็ได้แต่ขบะเจ้าขอเอาร่างกายเธอกลับพาราณสีท่านเศถี ท่านอาจจะเป็นเจ้าของหรือเป็นนายเหนือกายใครๆก็ได้แต่จะมาเป็นนายเหนือจิตใจคนอื่นไม่ได้ท่านอาจเอากายของใครไปก็ได้แต่ถ้าจิตใจเขาไม่ไปด้วยในที่สุดเขาจะต้องกลับมาดูตารีลาวดีสิเธอไปถึงกรุมพารานสีไกลจากที่นี่เป็นได้ร้อยโยนแต่ในที่สุดเธอก็กลับมาสู่อ้อมอกของข้าพเจ้าจนได้ เอาถอะในฐานะที่เราต้องสองต่างก็เป็นนายเนื้อจิตใจรีลาวดีไม่ได้เรามาทำอย่างนี้ดีไหมท่านสุดษี ท, ทำยังไงให้รีลาวดีตัดสินใจเอาเองให้รัตตปานีตัดสินใจเอง ให้รีลาวดีตัดสินใจเองจะอยู่กับข้าพเจ้าหรือว่าจะอยู่กับท่านข้าพเจ้าไม่เห็นด้วย ท, ทําไมราธนสถีเธอยังเด็กเกินไปที่จะตัดสินใจโดยเหตุผลถ้าให้เธอตัดสินใจเองเธอก็จะต้องตัดสินใจตามอารมณ์ขณะนี้เธอกํากลังมีความสุขสดชื่นอยู่ในบ้านเก่าท่ามกลางญาติพี่น้องเก่าเธอจะต้องตัดสินใจอยู่ที่นี่ยั่งแน่นอนท่านอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบมากถ้าอย่างนั้น ท่านจะทำยังไงข้าพเจ้าบอกแล้วว่าจะพาเธอกลับบ้านท่านจะพากลับโดยพระการไม่ได้นะข้าพเจ้าไม่ยอมเด็ดขาดาอยอมไม่ยอมข้าพเจ้าก็จะต้องพาไปไม่ได้นะท่านสิทธ์ต้องได้ข้าพเจ้ามีสิทธิ์อย่างเต็มที่รัตตปานีเป็นธิดาของข้าพเจ้าอย่างสมบูรณ์แต่เธอก็เป็นธิดาของข้าพเจ้าด้วยท่านพูดเอาเองข้าพเจ้ากับพันยาเป็นผู้ให้กำเนิดเร่งดูรัตตปานีมาจนเติบใหญ่ส่วนท่านไม่ได้ให้กำเนิดไม่ ไ, ได้เร่งดูมาเลย ท่านจะมีส่วนเป็นเจ้าของเธอได้ยังไงเวลานี้รัตปานีเป็นเสมือนแขกมาพักอาศัยกับท่านชั่วคราวเท่านั้นหรืออีกไหนหนึ่งเธอเปรียบเสมือนสมบัติของข้าพเจ้าซึ่งนํามาฝากท่านไว้ชั่วคราวบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ข้าพเจ้าจะต้องจากไปข้าพเจ้าจึงมาถวงเอาคืนท่านก็ต้องยอมให้โดยดีมันถึงจะถูกถ้าท่านไม่ยอมให้ก็เท่ากับว่าท่านโกงข้าพเจ้ามีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องได้เถิดเลยท่านสิทธิ เชิญท่านฟ้องร้องได้ตามสบายอ๋อลูกรักของแม่มาหาแม่มาลูกมะถูแม่คุณลูกรักคงแม่ลูกรักแม่ไหมดีรักดีรักแม่มากแม่ดีใจเหลือเกินที่ได้ยินลูกหุดอย่างนี้ไหนบอกแม่มาสิลูกลูกอยากจะอยู่กับแม่ต่อไปหรือว่าจะจากแม่ไปที่อื่น ลูกจะอยู่กับแม่โอเห็นไห้ท่านสิทธิรีลาวดีจะอยู่กับขบัตเจ้าท่านได้ยินไหม <c oughs> ท่านได้ยินแนละ้ใช่ไหมท่านสิทธิลีลาวันดีจะอยู่กับขบัตเจ้ารัตตาปาดีลูกลืมพ่อเสียแล้วนะ ลูกยังไม่ลืมลูกจะลืมพ่อได้ยังไงถ้าลูกยังไม่ลืมพอ่อยังรักพ่ออยู่มาหาพ่อหน่อยสิลูกเจ้าพ่อลูกแม่รัตตปานีพ่อขอถามอะไรลูกอย่างนึงพ่อจะถามอะไรลูกลูกคิดถึงแม่ที่อยู่ทั้งกรุงพาราณสีไหมคิดถึงถ้ายังงั้นลูกจะกลับพาราณสีกับพ่อไหม เห็นไหมละ่ะน้องหญิงรัตตปาณีจะไปกับข้บพาพเจ้าท่านได้ยินไหมไม่ได้ข้พาพเจ้าไม่ยอมมานี่รีลาวดีอย่าดึงล<อ>ูกรัตตปาณีต้องอยู่กับข้บพาพเจ้ารีล<พ>าวดีจะต้อง<า>อยูอย่กับข้าพเจ้าโอ้ยยังไงย่าดึงแม่เท็บเลยจ้า เจ็บมากไหมลูกพอ่อลูกจะต้องอยู่กับพอนะ่อพี่จ๋าเจรีลาวดีด้วยไม่ต้องกลัวพี่จะปกป้องน้องจนถึงที่สุดไม่ว่าแม่หรือท่านเศรษฐีจะยื้อแย่งน้องอย่างเมื่อกี้นี้ไม่ได้พี่ไม่ยอมไม่ทําอย่างนั้นอีกเจ็บมากไหมรีลาวดีแการน้องอท่านจะขาดออกจากกันเพราะแรงดึงของพ่อและแม่ทําไมต้องทําอย่างนั้นเพราะแม่ต้องการ ใ, ให้ลูกอยู่กับแม่น่ะจ้จะท่านเศรษฐีจะเอาลูกไป แม่ย่อไม่ได้เด็ดขาดข้าพเจ้าก็ไม่ย่อเหมือนกันยังไงก็ต้องเอาลูกกลับไปบ้านให้ได้ท่านถือสิทธ์อะไรลีราวดีเป็นลูกของข้าพเจ้าแต่นี่ไม่ใช่ลีราวดีนางเป็นลูกข้าพเจ้าชื่อรักตาปานีพัญญาข้าพเจ้าเป็นผู้ให้กําเนิดพัญญาของท่านเป็นผู้ให้กําเนิดก็จริงแต่นางเป็นลูกข้าพเจ้ามาเกิดนางก็บอกแล้วว่านางชื่อลีราวดีเป็นลูกของข้าพเจ้า ควรที่นางจะอยู่กับขาปาเจ้าถึงจะถูกนางก็บอกว่าเป็นลูกของขพเจา้าควรที่จะไปอยู่กับขพเจ้าและแม่ของนางขพเจ้าไม่ยอมให้ไปนางจะต้องอยู่กับขพเจ้าที่นี่ขพเจ้าไม่ยอมให้นางอยู่นางจะต้องไปอยู่กับขพเจ้าที่บ้านของนางกําเนิดเราจะอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพ่อแม่รู้ไม่ได้ขพเจ้าไม่ยอมขอพเจ้า ก, ก็ไม่ยอมเอาล่ะจะเถียงกันเลยต่างฝ่ายไม่ยอมเถียงไปก็ไม่มีประโยชน์เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาดู